45, สี่สิบ้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอารัายก ในเรื่องของวิถีจิตนี้ท่านแสดงอุปมาเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงคือเหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้หนึ่งนอนคลุมศรีรษะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงที่กําลังมีผลกําลังหลับแต่ก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงมาในที่ใกล้จึงได้เอาผ้าออกจากศรีรษะลืมตาขึ้นมองดู ก็เมือจับขนมะม่วงนั้นคลำดูสูดกลิ่นดูก็รู้ว่าเป็นมะม่วงสุกจึงบริโภคและกลื่นกิ่นมะม่วงพร้อมทั้งเสหาแล้วก็หลับไปใหม่ตัวอย่างนี้มาเทียบกับจิตเวลาของพวังคจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่บรุษนั้นกําลังหลับเวลาที่อารมณ์มากระทบประสาทก็เหมือนอย่างเวลาที่ผลมะม่วงตกลงมาเวลาแห่งอาวชนาจิต คือจิตคำหนึงก็เหมือนอย่างเวลาที่บรุษนั้นตื่นด้วยเสียงของมะม่วงนั้นเวลาที่จักกุบวิญญาณเป็นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดูเวลาแห่งสัมปติชนะจิตคือจิตรับก็เหมือนกับเวลาที่บรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วงเวลาแห่งสัเตีระนตจิตคือจิตพิจารณาก็เหมือนอย่างเวลาที่คลาดูด้วยมือ เวลาแห่งโบทถนาจิตคือจิตที่กำหนดอารมณ์ก็เหมือนอย่างเวลาที่สูดดมดูจึงรู้ว่าเป็นมะม่วงสุกเวลาแห่งชวนาจิตคือจิตที่แล่นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บริโภคมะม่วงเวลาที่จิตหนุ่นอารมณ์นั้นอันเรียกว่าตัทาวลำพนธจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่กลืงกินผลมะม่วงนั้นพร้อมกับเสหะเวลาที่จิตตกะวังไปใหม่ ก็เหมือนอย่างเวลาที่หลับไปอีกในขณะที่อารมณ์มากระทบประสาทจนจิตตื่นขึ้นจากผวังดําเนินไปสู่วิถีคือทางดังกล่าวมานั้นถ้าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดยกตัวอย่างเช่นว่ารูปมากระทบจากกู ป, ประสาทเป็นรูปที่แจ่มชัดและจิตก็รับอย่างเต็มที่ท่านแสดงว่าอารมณ์เช่นนี้จิตดําเนินไปอยู่สิบขณะจิต คือเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบประสาทและกระทบเข้าไปถึงจิตที่กําลังตกผวังอยู่นั้นจิตก็เคลื่อนจากผวังเรียกว่าผวังกัจจานัตและก็ตัดขาดจากผวังเรียกว่าผวังกัปปัจเฉทะนี้รวมสองขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็คำนึงอารมณ์เรียกว่าอาวัจนะจิตอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็เห็น หรือได้ยินอารมณ์อันเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาเป็นต้นหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็รับอารมณ์เรียกว่าปฏิจฉนละอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่าสันติรณะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็กำหนดอารมณ์เรียกว่าโวตทวนาอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้น จิตก็แล่นไปในอารมณ์เรียกว่าชวนาอีก7ขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็หน่วงอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าตะทาลัมพนะอีกสองขนาดจิตรวมเป็นส6หขนาดจิตแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนมากมากระทบประสาทกระทบถึงจิตทำให้จิตเคลื่อนไหวจากพวงังแต่ว่ายังไม่ตัดพวงังจิตก็ต้องตกพวังไปใหม่ ไม่ออกมารับรู้อารมณ์ตามวิถีจิตดังกล่าวนั้นอารมณ์ที่แรงกว่านั้นจะมากระทบบางทีก็ดาเนินไปไม่ตลอดทั้งสิบหขณะจิตนั้นสิ้นกําลังลงในระหว่างก็ตกระวังในระหว่างเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ปรากฏในจิตจึงไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเต็มที่ก็ต้องดําเนินไปสิบหขณะจิตดังกล่าวมานั้นที่เรียกว่าขณะจิตหนึ่งนั้นประกอบด้วยลักษณะสามคือ หอุห ป, ปาทภเกิดขึ้นสองทิฏฐ ต, ตั้งอยู่สาพังคะทำลายหรือดับไปจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรียกว่าขณะจิตหนึ่งหนึ่งขณะจิตทั้งสิบหกขณะจิตดังกล่าวมานั้นแต่ละขณะจิตก็ต้องมีเกิดมีตั้งมีดับและเมื่อขณะจิตก่อนผ่านไปแล้วขณะจิตหลัง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 จะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ยังไม่ได้ค้นให้แน่ชัดแต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้คือว่ายัางโรูปที่มากระทบจากคู่ประสาทมาเริ่มเป็นผวังฆะจลนะคือจิตเคลื่อนจากผวังเป็นต้นจนถึงตถาลำภพนะคือนวงอยู่ในอารมณ์นั้นรวมเป็นสิขณะจิตดังกล่าวมาแล้ว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 แต่ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดถ้าไม่แจ่มชัดก็ดำเนินมาไม่ถึงนี่เป็นอธิบายของวิธีจิตที่ดำเนินตั้งต้นมาจากปัญจทวารคือทวารทั้งห้าหน้าที่ของจิตแต่สําหรับมโนทวานนั้นขณะจิตมีช่วงสั้นกว่าเพราะว่าอารมณ์ในทวารห้านั้น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 เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นเมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วหล่านั้นมาผุดขึ้นกระทบมโนทวารก็กระทบถึงจิตทําให้จิตเคลื่อนจากผวังเป็นผวังคจจนะละนัและตัดจากผวังเป็นผวังคะอุปัชเชทะสองขณะจิต แล้วก็เกิดอาวชนะจิตคำนึงถึงอารมณ์ทางมโนทวารแต่ว่าอาวชนะจิตทางมโนทวา น, นี้มีค่าเท่ากับวทฏวนาจิตคือจิตที่กําหนดอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดเจ้าจิตคือจิตที่แล่นไปทีเดียวแล้วก็เกิดตถาลําพนาจิตคือจิตที่หน่วงอารมณ์นั้นแล้วก็ตกระวังบรรดาจิตที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงว่า จิตที่ดำเนินในวิถีตั้งแต่ต้นเมื่อยังไม่ถึงเจวนาจิตก็ยังเป็นจิตที่อ่อนยังไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นอัพยากตะไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าเมื่อมาถึงเจ้าวนาจิตคือจิตที่แล่นไปซึ่งมีเวลาอีกเจ็ดขณะจิตโดยมากจึงเป็นจิตที่มีกําลังเต็มที่และนับว่าเป็นกุศลอกุศลตั้งแต่เจวนาจิตนี้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 5. ้สวนะได้ยิน 6. คขายณะได้กลิน่น 7. สายณะได้รส 8. ผดภูษณะถูกต้อง 9. สัมปติชนะรับ 10. สันตีรณะพิจารณา 11. โวทวนะหรือโวทัพนะกำหนด 12. ชวนะแล่นไป 13. ตะทาลํพนะหนุนอารมณ์นั้น14จุติ วิธีทำสมาธิแถมท้ายวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งคือให้นั่งตัวตรงและน้อมจิตเข้ามาดูตนโดยปกตินั้นเราดูผู้อื่นแต่ว่าไม่ก็จะได้ดูตนคราวนี้ก็น้อมจิตเข้ามาดูตนเมื่อยังไม่ได้ดูเข้ามานั้นหายใจอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังหายใจ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 หายใจออกคือให้รู้รูปกายว่าบัดนี้รูปกายของเรานั่งอยู่ด้วยอิริยาบทนี้โดยท่านี้และมีขอบเขตเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนสุดศีรษะเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงสุดที่นั่งและที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นอนาณาเขตของรูปกายมีเท่านี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง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 จากหน้าทีมาถึงสวง อ, อกแล้วก็มาออกจมูกนี่ก็เป็นขาออกแปลว่าตรวจดูให้ทั่วคราวนี้ก็กำหนดดูนา ม, มากายคือสติของเราในปัตจบันนี้เป็นอย่างไรสัมปชัญญะคือความรู้เป็นอย่างไรความคิดกำหนดเป็นอย่างไรดูให้รู้ทั่วหายใจเข้าดูให้รู้ทั่วหายใจออก เมื่อตรวจดูให้รู้รูปกายของเรานามกายของเราคู่หมดแล้วก็มากำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเพราะว่าการที่ตรวจดูนั้นสายใจไปไม่รวมเป็นหนึ่งฉะนั้นก็ต้องปล่อยการตรวจตรวมก็ามาให้เป็นหนึ่งจะใช้จุดไหนถ้าชอบจะใช้จุดที่ริมผิปากเบื้องบนหรือว่าปลายจมูกซึ่งเป็นที่ลงกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกก็ได้และในขณะที่กำหนดนั้น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 หลักการจำแนกจิตได้กล่าวถึงจิตจาแนกไปตามกิจคือหน้าที่คือจิตโดยปกติก็อยู่ในภวังเมื่อตื่นขึ้นจากภาวังแล่นไปในอารมณ์ตามวิถีก็แบ่งชื่อเรียกตามหน้าที่ไปโดยลําดับจนถึงตกภวังไปใหม่ดังที่ได้แสดงแล้วแต่ว่าการแสดงจิตดังกล่าวนั้น ยังแสดงเป็นส่วนรวมๆยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากฤรเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบประเภทของจิตตามแม่บทนั้นท่านจึงแยกจิตไว้ตามแม่บทดังกล่าวหลักของการจําแนกจิตว่าเป็นอย่างไรนั้นหลักสําคัญอยู่ที่เหตุหกประการคืออกุศลเหตุเหตุฝ่ายอากุศลได้แก่โลภโทสะโมหะ กุศลเหตุเหตุฝ่ายกุศลได้แก่อโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงจิตที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายอกุศลก็เรียกว่าอกุศลจิตจิตที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายกุศลก็เรียกว่ากุศลจิตส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้งสองนี้เรียกว่าอัพยากตจิต จิต ท, ที่ไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศลเป็นจิต ก, กลางกลางนี้เป็นหลักใหญ่ในการจำแนกจิตว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ละเอียดพอจึงมีเกณฑ์จำแนกเป็นหลักย่อยต่อไปอีกได้แก่หนึ่งเวทนาความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาคือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข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 ฝ่ายอากุศลยกตัวอย่างในฝ่ายอากุศลก่อนจิตที่เรียกว่าเป็นอกุศลนั้นต้องเป็นจิตที่มีโลภะเป็นมูลมีโทสะเป็นมูลมีโมหะเป็นมูลนี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไปคราวนี้ในการประกอบอกุศลของคนผู้มีจิตเป็นอกุศลนั้นบางคราวก็ทําไปด้วยโสมนัตคือยินดีเช่นการฆ่าสัตว์บูชายัน มีความเชื่อว่าได้บุญหรือจะทำให้เทพโปรดปราเมื่อทาไปก็มีโสมนัสคือยินดีแต่ว่าในบางคราวก็มีโทมนัสคือยินร้ายเช่นมีเหตุจำเป็นให้ต้องทาบาปแต่ก็จำต้องทำหรือว่าการทำบาปของบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยมูลคือโทสะจิตที่มีโทสะนั้นเป็นจิตที่ไม่แช่มชื่น เป็นจิตที่เดือดเป็นจิตที่ขุนก็เรียกว่าเป็นโทมาัะคือว่าใจไม่ดีเป็นโทมานะสัเวทนาอันหนึง่งการทาบาปของบุคคลบางคนบางทีก็ประกอบด้วยทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งเห็นว่าทำบาปได้บุญดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องการบูชาอย่างนั้นแต่ว่าในบางคราวก็ประกอบด้วยญาณ คือความรู้ถูกคือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ทำเช่นว่าทำเพราะลุกอนนานาจแห่งความโลภความโกรธความหลงโลภขึ้นมาทั้งรู้ว่าบาปก็ทาเพราะต้องการจะได้แต่ว่าก็มีญาณนะคือความรู้เหมือนกันว่าเป็นบาป